หลุดพน้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พราหลังจากที่พระองค์ได้ทรงหลุดพน้นแล้วพระองค์ก็ทรงเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กองกับกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพน้นด้วยการสั่งสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนําไปสู่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 ก็ถือว่าได้ศึกษากับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจะศึกษากับพระอรหันตสาบุกก็ได้คือพระสงฆ์พระสงฆ์นี้ท่านก็มีความรู้ความสามารถเ ท, าเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าในส่วนของการดำเนินในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศึกษากับพระพุทธ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 เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สงจากพวกเราไปแล้วก็มีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกแต่ได้พบพระธรรมคำสอนก็ต้องใช้พระธรรมคำสอนเช่นหนังสือธรรมะต่างๆหรือซีดีต่างๆที่มีการบันทึกคำสอน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 จะได้ประโยชน์มากกว่าการศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากหนังสือหรือจากาสื่อที่บันทึกพระธรรมคำสอนไว้เพราะว่าเป็นการศึกษาสองทางกับทางเดียวการศึกษาจากพระธรรมคำสอนนี้เป็นการศึกษาทางเดียวคือรับมาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะ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 อย่างหลวงยังน้วงตาขณะที่ปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นท่านก็หลงติดอยู่กับสมาธิท่านไม่ยอม อ, ออกทางปัญญาได้อัปปนาสมาธิจิตรวมแล้วมีความสงบมีความสุขก็เพ้อเพลินอยู่กับการบําเพ็ญส ม, มถภาวนาเพียงอย่างเดียวจนหลวงปู่มั่นต้องเตือนว่าสมาธินี่มันเป็นเหมือน เศษ เ, เนื้อที่ติดฟันอยู่เป็นเนื้อชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเองอเนื้อชิ้นใหญ่กว่ากําลังรออยู่กับไม่ไปรับประทานาคือการออกทางปัญญาเพรอหลวงปู่มั่นเตือนแล้วหลวงตาท่านก็เลยออกทางปัญญาเริ่มพิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงทั้งหลายเช่นร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะ พิจารณาทำที่ละเอียดที่อยู่ภายในใจจนถึงขั้นฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่หลับไม่นอนไปเล่าให้หลวงปู่มั่นท่านฟังหลวงปู่ท่านก็บอกว่าติดสังขารความคิดปุ่งแต่งโดยเถิดพิจารณาจนโดยเถิดจนเกศจิตเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเป็นปัญญาแล้ว มันจะต้องสงบเพียงอย่างเดียวถ้ามันฟุง้งซ้านถึงกับนอนไม่หลับถึงไม่นอนสามคืนด้วยยังไงนี่สแสดงว่ากำลังติดสังขารความคิดตรงแต่งไม่ใช่ติดปัญญาพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวก เวลาเกิดปัญหาหรือเวลาที่เดินหนงทางท่านจะคอยเตือนท่านจะคอยดึงให้เรากลับเข้าสู่ทางอย่างน้องตาตอนตอน้นท่านก็ติดสมาธิหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเป็นเศษเนื้อเนื้อติดฟันพอออกทางปัญญาก็พิจณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่หลับไม่นอนจนจิตพุ่งสร้างขึ้นมาท่านก็บอกว่ากาลังติดสังขารความคิดปรุงแต่ง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 พอะ อ, อกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มพิจารณาต่อปัญหาที่ได้พิจารณาอยู่ที่ไม่สามารถเห็นเห็นผลได้ก็จะปรากฏผลขึ้นมาอย่างง่ายได้เพราะจิตเริ่มเป็นจิตที่มีเหตุมีผลไม่ใช่จิตที่เป็นจิตที่มีอารมณ์นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้อยู่กับ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 การจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้นี้จำเป็นจะต้องฆ่าคนถึงหนึ่งพันคนก็ฆ่าได้แล้วถึง99้ิคนพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารทำให้องคุลิมา น, นี้ไม่สามารถวิ่งตามตัวพระพุทธเจ้าได้จนองคุลิมานถึงกับต้อง ตะโกนร้องขอว่าขอให้พระพุทธเจ้าหยุดเขาวิ่งตามแทบเป็นแทบตายแต่วิ่งไม่วิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมานก็แปลกใจในคำตอบของพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดปดหรือเปล่าเพราะเขากำลังวิ่งตามอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ได้หยุดแล้ว ถ้าพระ อ, องค์ได้หยุดแล้วทำไมเขาถึงยังวิ่งตามไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงพอใช้อุบายวิธีสั่งสอนองคุลิมานโดยที่องคุลิมานไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสั่งสอนองคุลิมานได้ยินเข้าก็สะดุ้งขึ้นมาเข้าใจถึงความโง่เขลาเบาปัญญาของตนเอง เข้าใจในความในปัญญาของพระพุทธเจ้าในความเมตตาของพระพุทธเจ้าแทนที่จะโกรธจะเกลียดองค์ุลิมานที่จะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับมีแต่ความเมตตาสงเคราะห์ ส, งส่งสั่งสอนแก้ความหลงของอ ง, องคุลิมานด้วยอุบายอันแยบคายทําให้องคุลิมานนี้แก้ความหลงของตนเองได้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 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสามารถของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถมากกว่าพระอริยสงฆ์สาวกทุกองค์รับถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนี้จะมีโอกาสที่จะได้ดุดพ้นได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าศึกษากับพระอริยสงฆ์สาวกแต่ถ้าได้ศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวก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 ตอนนี้เป็นสารชาติตยานของนักเรียนไม่ชอบเรียนชอบเล่นต้องมีคนคอยควบคุมบังคับถึงจะเรียนกันพวกที่ต้องการจะหลุดพ้นก็เหมือนกันถึงแม้อยากจะหลุดพ้นแต่ก็ไม่อยากปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติกันถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็จะทะเลาถลายกันจะไปเที่ยวไปเล่นกันแทนที่จะบาเพ็ญแทนที่จะปฏิบัติกัน ก็ไม่ปฏิบัตินะแทนที่จะสำมรวมกายวาจาใจก็ไม่สำมรวมกันแทนที่จะระ ง, งับความคิดตรงแต่งต่างๆก็จะไม่ระ ง, งับกันแต่พอมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนอย่างพระเนนที่อยู่กับหลวงตานี่พอเห็นหลวงตาแต่ละครั้งนี่กายวาจาใจไม่รู้มันสงบขึ้นมาได้ยังไงของมันเองโดยที่ไม่ต้องบังคับ แต่เวลาท่านประเวลาท่านไม่อยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านกายความสงบกายวา่าใจไม่รู้มันหายไปไหนกิเลสตัณหามันโผล่ออกมาทันทีนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะท่านจะคอยกำหลับกิเลสตัณหาของพวกเราที่พวกเราเองไม่สามารถ กำหลับมันได้ต้องอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์ช่วยกำหลับพอเจอครูบาอาจารย์มันจะสํารวมขึ้นมาทันทีสติสตังที่มันหายไปนี้มันจะกลับมาทันทีนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่มีครูบาอาจารย์แล้วแต่ถ้าเราขี้เกียจ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 ต้องเจริญสติจนสามารถนั่งสมาธิทําให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ทําให้จิตเป็นสักแต่ว่ารู้ได้เป็นหนึ่ง เ, เป็นอุเบกขาได้เป็นสุข เ, เมื่อไดอ้สมาธิแล้วเนี่แหละถึงจะเปลี่ยนจากการเจริญสติเวลาออกจากสมาธิมาให้มาเปลี่ยนเป็นการเจริญปัญญาแทน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 เราไม่สามารถที่จะห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ถ้าเราอยากให้ไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บเราก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยใช่เหตุแล้วก็จะไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์เพราะไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่คือการเจริญปัญญาที่ผู้ที่ได้สมาธิแล้วหลังจากออกสมาธิมาควรที่จะเจริญพิจารณาสภาวธรรมต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องมาครอบคลองไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกาย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 และยึดเห็นทุกในการยึดติดอยู่กับร่างกายของคนอื่นเช่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของเพื่อนฝูงของญาติชนิดมิตรสหายต้องพิจารณาเหมือนกันหมดว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและถ้าเกิดมีการอารมณ์อยากจะเสพ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 เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเห็นแล้วก็จะไม่เกิดกามรมารลมขึ้นมาถ้าอยากจะดับกามรมารลมอยากจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่รู้สึกเหงาหรือว้าเหวอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องเจริญอ ส, สุภะอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความเหงาความว้าเหวนี้ก็จากความอยากในกามรมารลมนั่นเองเพอคิดถึงบุคคลที่เรารักเราชอบ ก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาพอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็จะเกิดความรู้สึกเหงาว้าเหว่ขึ้นมาแต่ถ้าคิดถึงความไม่สวยงามของบุคคลที่เรารักเราชอบการมาลลมก็จะไม่เกิดขึ้นมาความเหงาความว้าเหว่ก็จะไม่มีจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ความสุข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 ที่ยังต้องกลับมาเกิดมาหาคนอื่นมาเป็นคู่ครองก็เพราะว่ายังมีการมารมอยู่นี่เองเพราะยังไม่เห็นร่างกายของคนที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองว่าเป็นอสุพะนั่นเองก็ต้องเจริญอสุภะต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายในรูปแบบต่างๆจะพิจารณาศพสิบชนิดก็ได้ร่างกายต่อไป ของทุกคนก็จะต้องเป็นซากศพถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาไม่เผาเขาไม่ฝังกันเขาไปทิ้งไว้ในป่าชาสามารถไปเยี่ยมชมสิบเยี่ยมชมสิบศพ ส, สิบชนิดนี้ได้ศพเพิ่งตายใหม่ขึ้นเอินศพที่เปลี่ยนสีเป็นเขียวขำศพที่มีน้ำหนองไหลออกมา ศพที่แยกออกเป็นท่อนๆว์ที่มีแรงกากัดศพที่มีแรงกากัดศพที่กระจัดกระจายศพที่เหลือแต่โครงกระดูกอันนี้เป็นอสุภะเป็นร่างกายของคนที่เรารักเราอยากจะได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราพอเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะได้มา เป็นคู่ครองเราก็จะไม่อยากได้ ท, ทันทีเราก็จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวกับมีความสุขเสียอีกอยู่คนเดียวนี้จะมีความสุขที่ได้จากความสงบความสงบของใจนี้เป็นความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขความสุขทั้งปวงผู้ใดาสามารถละกามตัณหาได้แล้วจิตจะสงบจิตจะมีความสุข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 ทำเหล่านี้ให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้เจริญเองเราจึงต้องเป็นอัตตาหิอัตตโนนาทโทเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเป็นครูอาจารย์ของเราเองไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาแล้วก็เอาคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์นี้มาคอยสั่งมาคอยสอนตัวเราอีกทอดหนึ่งเวลาไหนที่เราขี้เกียจ ก, ก็ต้องขนาบมันต้องลงโทษมัน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 คนมาคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ทราบเสียงมันมาจากที่ไหนเลยาาเดี๋ยวได้ไหมอ่าเดี๋ยวเอาสักหน่อยก็นเดี๋ยวเอางั้นก็คิดว่าฟังแล้วมักจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วก็ขอสรุปก็แล้วกันว่า การบำเพญ็ญการบุดพ้นนี้จําเป็นจะต้องมีสาระสองส่วนคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนและมีอัตตาหิอัตโนนาถเป็นผู้ที่จะบังคับผู้ปฏิบัติเองให้ปฏิบัติตามคําสอนให้ได้ถ้ามีสาระทั้งสองส่วนนี้แล้วผลที่เราต้องการกันคือการบุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนําเอาจาระทั้งสองนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่ท่านทั้งหลายปรารถนากันที่จะตามมาต่อไปลําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตยุยติการถามตอบปัญหา ถ้าใครอยากจะถามก็เข้ามาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อผู้อื่นจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านที่ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กหรือยูทูบได้ถามไปก่อนอ่าไม่ล้ะทางนี้อ่นานานๆจำ พูดใกล้ๆหน่อยเพื่อนได้ยินไหมคะได้ยินเพื่อนที่เดนมาร์กที่อยู่ที่ตอนเพใกล้ๆมาหน่อยเพื่อนที่เดนมาร์กแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ชามนะฮะเขาขังตัวเองประมาณสองเดือนที่จะอยู่ปฏิบัติทรรไม่ไปไหนให้ฝากเรียนฐานท่านอาจารย์ว่า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 ความอยากนี่มันเป็นเหมือนเจ้านายเราเป็นเหมือนทาสของความอยากเวลามันสั่งให้เราไปหยิบกาแฟนี่ใจเราต้องไปเราต้องไปแล้วถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันก็จะกรี๊ดขึ้นมามันจะทำให้เราหงุดหงิดนำคาญใจแต่ถ้าเราใช้พุทธโธสู้กับมันใช้สมาธิสู้กับมันไปไม่ยอมไปกินย อ, อยอมอดยอมตายหรือใช้ปัญญาก็ได้ว่ากินไม่กินกาแฟไม่ตายหรอก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 คุยคุยคุยอกเขาไม่้ายที่บอกเ่ยเขาติดติดตามเฟซบุ๊กได้ป่ะไม่ก็ต้องติดตามอยู่ไม่เปิดเลยเลยอ่าอืมคำถามคำถามจากคุณศรินาฏนะครับ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 ถ้าอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติมากก็ต้องปฏิบัติให้มากคำถามจากคุณเลิฟธรรมะนะครับถ้ามีพระที่เรารู้จักท่านจะออกทุดงไปพะมะ่าเพื่อไปเรียนกรรมฐานสายปัตมังนั่งเข้าฌานในถ้ำสายปัตมังฝั่งพะม่าในถ้ำระหว่างเดินทุดงไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตลอดทั้งเรียนกรร ม, มาฐานหนึ่งเดือนเราถ้าเราถวายปัจจัยในการเดินทางเราจะได้อา น, นิสงอะไรบ้างเจ้าคะถ้าท่านเอาเงินไปใช้ในการศึกษาในการปฏิบัติก็เท่ากับเราได้ช่วยสนับสนุนให้ท่านได้เจริญได้บาเพ็ญธรรมเราก็จะได้ทานก็เป็นการทำบุญทาทานในอีกรูปแบบหนึ่ง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 คำถามจากคุณสปิริตชูนะครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจง่ายๆหน่อยครับคือเผ่าพันธุ์ก็คือคนเหล่านี้ก็มีเป็นเผ่าพันุ์ก็คือดีหรือชั่วนี่ก็เป็นเผ่าพันธุ์คนที่เคยทําความดีมาก็จะเป็นคนดีคนที่ทําชั่วมาก็จะเป็นคนชั่วเลชั่วหรือดีนี่มันเกิดจากการกระทํา คือกรรมนี้เองมีกรรมเป็นเผ่าพันถ้าทำกรรมดีก็จะเป็นคนดีเป็นเผ่าดีถ้าทำชั่วก็จะเป็นเผ่าชั่วว่าเราดีชั่วไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายรูปร่างหน้าตาผมผมขาวหรือผมเขียวหรือผมแดงแต่อยู่ที่การกระทำถ้าทำดีก็เป็นพวกพวกดีถ้าทำชั่วก็เป็นพวกชั่ว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 คือวิธีปฏิบัติจิตก็คือควบคุมจิตให้สงบไม่ให้จิตโลภโกรธหลงวิธีที่จะไม่ให้จิตโลภโกรธหลงก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธิเห็นต้องพยายามเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงจิตเข้าสู่ความสงบ พ, พอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุข แล้วพ อ, อ, อจากความสงบมาพอจิตเกิดความอยากความสุขก็จะหายไปก็ต้องใช้ปัญญามาดับความอยากพอมาดับความอยากได้ความสุขก็จะกลับคืนมานี่คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคําถามจะคุณ i อแมพักตินะครับในกรณีทั่วๆวไป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 จะออกไปทำไมออกไปแล้วร้อนอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายจะออกไปอยู่ข้างนอกที่มันร้อนทำไมก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยอย่างที่สอนเนี่ยกิเลสมันชอบหลอกเราอยู่เลยอยู่ที่ไหนไม่มีดีไม่ไม่ดีที่ต้องต้องไปที่นู่นถึงจะดีพอไปถึงที่นู่นก็อยากจะไปนั่นต่อมันจะหลอกเราไปเรื่อยๆยังบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วถึงบอกให้นั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงไม่ต้องไปไหน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 ใช้เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขก็ใช้ได้คำถามจากคุณภาริทัศนะครับการเข้าผวางคืออะไรครับคาว่าผาวังก็คือความสงบนี่ผวังมันมีสองลักษณะสงบแบบมีสติกับสงบแบบไม่มีสติสงบแบบมีสติเราก็เรียกว่าสมาธิสงบแบบไม่มีสมาธิาไม่มีสติก็เรียกว่าหลับผวังหลับกับผวังสมาธิ คำถามจะคุณเก่งนะครับทำอย่างไรเราจะลดความอยากได้ครับก็ไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่จะอยากก็ฝืนใจอย่าไปทำเช่นอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันพุโทโธพุโทโธไปลืมอย่าไปคิดถึงบุหรี่เดี๋ยวมันก็ลืมหรือถ้าถ้ามีกำลังสู้มันได้ก็ใช้กำลังอดทนสู้กับมันไม่สูบอย่างเดียว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 มันเป็นการยึดติดอยู่กับความสวยความงามที่จะทำให้เราต้องทุกเวลาที่ร่างกายมันไม่สวยไม่งามเดี๋ยวขอเขา อ, อ่านประโยคบอกเล่าบ้างนะครับรอคำถามแป๊บนะครับประโยคบอกเล่าจะคุณแอนซี่นะครับคำสอนของท่านช่างมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุก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 ใครในาราศาลาอยากจะถามก็มีมีเนืออยากจะเล่าเหตุการณ์ของตนที่มาสัมผัสกับการได้มาศึกษาที่นี่ก็ก็ลองมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้ไม่คิดสตังค์ไม่มีค่าโฆษณาไม่มีไม่เก็บค่าอะไร ตอนนี้ถ่ายทอดสดนั้นไปทั่วโลกเลยเนี่ยจากคุณกูนะครับนั่งสมาธิได้ไม่นานและไม่สงบจะแก้อย่างไรดีคะเพราะสติมีกำลังน้อยนั่นเองต้องสร้างสติให้มีกำลังมากๆาการการเข้าสมาธิก็เป็นเหมือนการชักกระเยาะกันฝ่ายหนึ่งก็จะดึงเข้าฝ่ายหนึ่งก็จะดึงออกฝ่ายที่ดึงเข้ามีกำลังน้อยคือสติมีคนเดียวอย่างนี้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 ก็สามารถที่จะดึงสติดึงจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการเฉะนั้นการจเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำใจให้สงบจากคุณสีนาานะครับเราอยากทำบ้านให้สะอาดผิดหรื อ, อยังนะครับผิดผิดหรือไม่แล้วถ้าไม่อยากทำบ้านให้สะอาดเป็นการปล่อยวางหรือไม่ และอยากทำบ้านให้สะอาดเป็นการยึดมั่นหรือมั่นหรือไม่คะก็เป็นความอยากไงความอยากก็เป็นกิเลสคนจะทำด้วยเหตุ ด, ด้วยผลคือบ้านมันก็ที่อยู่อาศัยมันก็ต้องสะอาดเรียบร้อยเราก็ทำไปตามหน้าที่เมื่อมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็ทำไปเมปื่อมันสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็คือทาด้วยเหตุ ด, ด้วยผลไม่ได้ทาด้วยความอยาก จากคุณวิสุดานะครับเราเคยทําผิดศีลและรู้สึกผิดอยู่ตลอดเราควรทําอย่างไรคะก็อย่าไปทําผิดซลยก็รู้อยู่แล้วทําแล้วไม่สบายใจไปทำทำไมอก็ต้องฝึกต้องหาตั้งสัจจะบ้างตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะไม่ทําผิดศีลข้อนี้เอแล้วถ้าทําผิดก็ต้องมีบทลงโทษเช่นถ้าชอบดื่มกาแฟก็ลดกาแฟลงเอ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 เราที่เราจะทำอะไรนี่มันจะต้องมีมาตรการคอยคอยลงโทษการกระทำที่ไม่ถูกต้องเ mm. มื่อไม่เมื่อมีการทามีการลงโทษมันก็จะไม่กล้าทำอย่างนลองตาท่านบอกว่าท่านช่วงที่ท่านบวชใหม่ๆนี่ท่านยังชอบกินอยู่ยังหิวอยู่ท่านบอกล้างบาตเพิ่งเสร็จใหม่ๆอยากกินอีกแล้ะท่านบอกมันถ้าอยากนี้ต้องไม่กินสักสามวันอ่า ตราไปความอยากกินไม่กล้าโผล่มาเพราะอยากทีไรจะไม่ได้กินสามวันอดจริงๆแล้วนะท่านก็เป็นคนเด็ดขา ด, เ ด, ดเด็ดเดียวพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นไม่ใช่ตั้งกฎตั้งระเบียบลงโทษพอถึงเวลาไม่ให้ดื่มกาแฟก็ไม่ไหวแลนะ้วอย่างนี้ก็จะไปหวังความเจริญก้าวหน้าเลยจะนังว่าเราอ่อนแอมากทางด้านจิตใจ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 นี่คือเรื่องของจิตใจมันต้องมีมาตรการมันถึงจ ะ, จะเจริญได้หมดแล้วเหรอนี่ครับคาถามจ้คุณภาลิทัศนะครับเวลาเดินจงกรมกาหนดพุทโธไว้ที่ไหนครับกาหนดที่พุทโธไม่ต้องกาหนดที่ไหนก็เดินไปแล้วก็พุทโธไปแต่ก็ต้องดูทางที่เราเดินด้วยไม่ใช่พุทโธไปแล้วไม่ดูว่าเรากำหนงจะไปเหยียบอะไรหรือไม่หรือเราเดินไปถึงอสิ้นทางแล้วยัง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 คือเราจะเข้าใจว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราชอบอยากอยากไปควบคุมบังคับเขาพอเราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ทุกข์กันอบางคำถามอขอให้ไปเปิด google นะครับเป็นต่อไปขั้นเวลาด้วยคําถามประโยคบอกเล่านะครับคุณพิมพ์พรนะครับฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วปฏิบัติ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 ใครดาก็สาธุเหมือนกันคำถามจะคุณเปิมพงนะครับการดูนักมวยชกกันแล้วรู้สึกสนุกกับมัน น, นี้บาปไหมครับเพราะเขาทำเป็นอาชีพและมีการบาทเจ็บบาทเจ็บเพราะถ้าดูไก่ชนผมเข้าใจว่าบาป บามันไม่บาปมัเพ่งแต่ว่าเราไม่มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากลําบากของคนอื่นกับเอาความทุกข์ยากของคนอื่นมาเป็นเหตุให้เรามีความสุขเถ้านั้นเองเราต้องมองกับมุมกับถ้าเกิดเราต้องไปเป็นน้ำมวยบ้างต้องไปเป็นไก่บ้างแล้วเราจะยังจะมีความสุขเขา้ากัอต่อสู้กันหรือเปล่าควรจะมีความสงสารมากกว่า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 ถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็อย่าไปเชื่อแต่เราไม่ต้องไปพิสูไปปฏิเสธเท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางไปวัน<ำ>ล้วเหอคำถามหมดแล้วครับภอาจารย์ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ